ยณิตน้ําสู่ช่วงของการคุยธรรมะกันและ นั่นโดยการที่เราตั้งมั่นอย 5 อย่างนอกจากนี้เราก็เอ่อฝึกนั้นเนี่ยก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการ จากคุณโตขึ้นมาจากคุณคุณผ่านการเดินทางจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผ่านโรงเรียนต่างๆมานะคลอดออกมาจากครรมารดาจนมาโตมาขนาด แต่ๆที่พระเจ้าอธิบายเอาไว้ในใน นะจะมาแล้วยังผ่านไปแถวทะเลทรายผ่านไปแถนที่ที่มันไม่ดีมีความกันดานโอ้เป็น ทางประเสริฐที่มีองค์ 8 อย่างนะอย่างเราเดินทางไปตามถนนหนทางเนี่ยตะลิงไอ้เค้า มีผิวทางที่ราบเรียบนะมีสัญญาณหาป้ายจราจรบอกทางชัดๆและๆพวกนี้เป็นองค์ประกอบของเส้นทางที่ดีนะฉะนั้นก็ฉะนั้นท่านฝั่งเวลาที่เรา นะอาสวะที่จะทําให้เป็นเป็นอสุรกายเทวดาเป็นพรหมพวกนี้มีหมดนะเรา นะ, นะ, 8 อย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัส นะ, 8 นะ, าง, นะ 8 อันประเสริฐนั่น เนตระเดินไปไหนไปทําอะไรไปกับใครที่ไหนยังไงในโลกนี้ขึ้นถนนลงเรือนะไป คุณได้องค์ประกอบที่ 1 ละจากนั้นเราก็ยังมีความดําริชอบนะ 3 อย่างนั่นคือความคิดใน อันนั้นดีอันนั้นดีความคิดใดๆก็ตามที่ไม่เป็นความคิดในทางเบียดเบียนนะ กระแทกแดกดันนะไม่พูดคําหยาบแต่เป็นคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะที่แบบกรีด นะต้องเป็นคําจริงด้วยแน่นอนนะอันนี้ชื่อว่าคุณจะพูดเรื่องอะไร แนวว่าฉันจะไม่หาลักทรัพย์น่ะไม่ถือว่าทรัพย์ที่เจ้าของไม่ การได้มานั้นไม่พูดหวานล้อมหมายถึงว่าเราจะต้องหาไม่พูดเป็นผู้ที่อาชีพ นะเราก็ทําใจให้อ่าถ้าไม่โกหกนะไม่พูดหลอกลวง ทีนี้เราจะมีกำลังไปหรือไม่นะคือกายวาจา ก็จึงมี 3 อย่างนะพระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาวยามะสมาสติและสมาสมาธิสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเปรียบเสมือนกำลังที่จะขับตันเอาไปได้นะถ้าเปรียบเหมือนเรือ นี่เป็นกําลังที่เราจะแจวเรือไปหรือว่าเรือนี้ติดเครื่องยนต์นะนั่นสมาสติและสมาสมาธิหางเสือนะหรือกับสมาสังคปะแล้วเราทําอย่างนี้นะเรากัปตันไปใน นะทําความเพียรในที่นี้ก็คือว่าให้เราเอาเรายังไม่มีเราทําให้มันเกิดมีๆนะความชั่ว มันกำลังเพิ่มขึ้นในการที่จะอะไรในการที่จะมีสตินั่นเองแล้วเราอุดนะระลึกได้ว่าฉันต้องจางเรือ ระลึกดึงจิตของเราออกมาจากสิ่งที่เป็น ในเมื่อว่าไปสนใจนกที่มันบินมาสนใจน้ําทะเลเป็นยังไง 7 นั่น มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติเนี่ยถ้าแวดล้อมจิต นั่นก็คือสมาธินั่นเองความระลึกได้นะระลึกการที่ว่าจะไปทําเรื่องไร้สาระทําเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะทําเรื่องที่ไม่ก่อให้ที่จะก้าวเดินไปนะเราก็ จะใกล้ก็ตามจะใกล้ก็ตามเนี่ยถ้าเราปฏิบัติยาวต่อไปเรื่อยๆอย่าง แต่ว่าเรือหรือสะพานที่ข้ามไปก็ไม่มีนางก็เลยเอาหญ้าไม้กิ่งไม้เนี่ยมา 8 นั่นเอง นึกถึงมรรคนิพพานนั่นเองเราทําอยู่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าความภัยไปเองและเวลาที่ 106 ได้ แล้วก็สามารถ